ข้อความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มปปุฏิยานในวันนี้คงพูดเรื่องพระยาศาต่อไปวันก่อนได้เล่ามาถึงช่วงที่พระยาศาทตันตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนได้เห็นบริวารของตนกำลังนอนหลับ บางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ที่คอบางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางมีน้าาําหลไหลบางนางบนละมือต่างๆปรากฏแกสายตาของคุลระบุตรยศากุลระบุ ต, บ ต, บ ต, บตรดุดป่าช้าผีดิบขันแล้วด้วยความเห็นโทษได้ปรากฏแกยศากุลระบุ ต, บ ต, ตรตจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายยศากุลบุตรจึงเปล่งอุทานว่า ท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอแล้วสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกมนุษย์เปิดประตูว่าให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายกายการออกจยกเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะากุลบุตรเลยลำดั บ, บนั้นยะสกุลบุตรเดิน ทรงไปทางประตูพระนครพวกอนมนุษย์เปิดประตูให้โดยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายเกิการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของกุลบุตรของยาศกุลบุตรทีนั้นยาศกุลบุตรได้เดินตรงไปทางป่าอิสิปาตานะมฤคธายวันในคันใกล้รุ่งพระบูมีพระภาคตื่นบรรทมแล้วเสด็จจ ง, จงกลมณทีแจ้ง แต่ทอดพระเนตรเห็นยาาสะคุณบุตรเดินมาแต่ไกลกันแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอัศนะที่ปูไว้ขณะนั้นยาาสะคุณบุตรก็เปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้กัดข้องหนอทันทีนั้นพระผู้มีพระภาคจักยาา์กายะคุณบุตรว่าดูก่อนยะ ที่นี่ไม่บุญนวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยศะนั่งลงเราจักแสดงธรรมแก่เธอที่นั่นยศะกุลระบุตร่าเริงมันเตือนใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่บุญนวายที่นี่ไม่ขัดข้องดังนี้แล้วทอดรองเท้าทองทอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถตว้ยบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ประเด็นตรงนี้เราก็เห็นอย่างหนึ่งคือพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าจะสรู้ใหม่ๆก็ผ่านมาสองเดือนกว่าๆท่านเองจะสรู้เป็นเดือนหกอันนี้ก็หลังเพลิเป็นเดือนแปดมาไม่กี่วันแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงตื่นในเวลาใกล้รุ่งจะพักในยามกลางของราตรีประมาณเอง หลังเที่ยงคืนแกต่อปัญหาแกเทวดาต่อจากนั้นก็พักแล้วต่อจากนั้นก็จะเสด็จลุกขึ้นตรวจดูสัตว์ตัวโลกถึงใครมีวาสนาบา ร, รมีที่จะรู้ธรรมะของพระองค์ได้ก็จะปรากฏในขายพยานของพระองค์แล้วจะทรงตรวจสอบภูมิหลังของบุคคลเหล่านั้น วาสนาบารมีจริตพื้นเพอัติยาศัยต่างๆแล้วก็ธรรมะที่จะส่งแสดงแล้วผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมะซึ่งหมายความว่าถ้าพูดสำนวนปัจจุบันนะฮะก็เรียกว่าศึกษาข้อมูลและประเมินผลสรุปผลลงเสร็จและลงตัวเป็นอย่างที่ส่งสรุปผลเอาไว้ปัญญาถากุณบุตรในที่นี้ก็เป็นเช่นนั้น แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ถึงวาสนาบารมีของท่านท่านต้องปรากฏในขายพยานของพระองค์ทำให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับนั่งรออยู่เมื่อญาติคุณบุตรเดินบนไปโดยประโยคเดิมอย่าลืมมาคงเดินบนมาบ่อยอาจจะหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าออกจากบ้านผ่านประตูบ้านออกจากเมืองออกจากเมือง ผ่านประตูเมืองเนี่ยองจะบนหลายครั้งแต่ว่าไม่มีคำโต้ตอบมาจากคนอื่นวันทา้งก็เดินมาเรื่อยๆโดยคาดหวังที่จะหาที่ทึ่งไม่วุ่นวายที่ซึ่งไม่ขัดข้องพระพุทธเจ้ารับสั่งเรียกยัดสษะเลยอันนั้นคือการทึ่งอัศจรรย์จึงงบน เกิดขึ้นภายในใจของยาสักคนรบุตรเพราะว่าเธอไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ากลับเรียกเธอได้ถูกต้องแล้วก็ตอบสนองความต้องการของเธอที่ต้องการจะแก้ปัญหาความวุ่นวายความขัดข้องก็แสดงว่าเธอก็สบโอกาสที่จะแก้ปัญหาซึ่งข้างคาอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจ ถึงถอดรองเท้าทองนะไม่ช่เล่นนะรองเท้าเนี่ยทำด้วยทองก็แสดงว่ารวยมหาศาลมากๆแต่แปลกที่ว่าประวัติรายละเอียดของท่านไม่ค่อยไม่ค่อยปรากฏมากพิยานพี่บอกว่าท่านเป็นพระยุคต้นแล้วก็คนร่ำทำทั้งกายนาเป็นคนยุคหลังพระนร น, นั้นก็คงจะบวช ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าจัดสรุแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดแปดปีนะถึงได้บวชแต่พระยาศาก็บวก่อดน้านั้นตั้งนานแต่ปัญหาสำคัญว่าท่านได้แยกย้ายกันไปเผยแผ่าศาสนาในส่วนต่างๆในจบวทวีปไปที่ไหนกันบ้างก็ไม่รู้ก็ไม่ได้บันทึกเรื่องราวาต่างๆเอาไว้เมื่อท่านเข้าไปโดย ความหวังว่าพระเจ้าจะชี้แจงทางไม่วุ่นวายทางไม่ขัดข้องแก่ท่านพระพําธรัมที่จัดเนี่ยว่านั่งลงเถิดเราจักแสดงธรรมแก่เธอเมื่อเธอนั่งเนี่ยพระเจ้าก็แสดงอนุภูกิกตถาเขาเรียกว่าเป็นภูรานุศาสนี เป็นคำสอนที่ทรงสอนมากที่สุดคู่กับอริยสัจสี่เพราะว่าโดยพื้นเพยจริตตยาศัยของมนุษย์เราทั่วไปก็อยู่แต่แถวนี้อยู่ในเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยแล่ถ้าถามว่าทรงแสดงเรื่องทานโดยประยายไหนนี่เราก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่เคยพบที่อธิบายเทศเทศนาอนูปีกถาแล้วก็ ขยายความพิสดารของเรื่องทานเรื่องสีออกไปโดยพิสดารเนี่ยก็ยังไม่พบพบแต่ว่าฐานกาถาศีและาถาสักขกคาถากาามาเทวนาาถาเนคขมานนสังสกถาก็จะพูดอย่างนั้นเน่เพราะในที่นี้ก็จะรวบรวมมาจากที่อื่นเพื่อจำแนกปรยายยแห่งทานในความหมายทางพระพุทธศาสนาออกไป เพียงต้งใจว่ามันเป็นปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งที่ทรงแสดงให้เหมาะควรแก่โอกาสนั้นๆแก่บุคคลซึ่งมีพื้นฐานแตกต่างกันแต่องค์ประกอบของความเป็นฐานนั้นเราจะเห็นว่าคือเจตนาที่จะบริจาคแล้วก็ผู้รับบริจาคแล้วก็สิ่งที่นามาบริจาคสิ่งที่นำมาให้ แต่การให้ทานนั้นอาจจะให้โดยความอนุเคราะห์คือการแสดงความมีน้ำใจให้โดยการสงเคราะห์คือแสดงความเมตตากรุณาต่อคนที่เขาประสบปัญหาแต่ว่าทานในแนวนี้ในแนวที่ทรงแสดงเนี่ยจะเป็นทานใไมเป็นทานในรูปของบุญที่สำเร็จโดยการบริจาคทานแต่ก็ไม่ได้โจทย์จงว่าบริจาคใครอย่างะ ไม่จะไม่เจาะจงอบไิจากใครไปจากให้แก่ใครแต่ก็ถือว่าเป็นทานในกรอบที่ที่สมบูรณ์คือเน้นไปในทางบูชาต่อบุคคลที่ควรแก่การบูชาองค์ประกอบที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันก็ตามปกติก็สัมผัสระยะเพราะในสมัยพุทธกาลเองก็เคยเจอก็ลองนับดูประมาณหกท่านด้วยกันนะนะ ที่ให้ทานในวันนั้นแล้วได้รับผลของทานในวันนั้นเลยคือสถานะตัวเองเปลี่ยนจากคนจนเป็นคนรวยจากทาตไปเป็นเศรษฐีเลยเนีย่ก็มีอยู่เพียงไม่กี่รายเพียงประมาณหกรายเพรา ะ, ะองค์ประกอบของทานประเภทนี้จึงจึ ง, จ, งจึงไม่มีจังหวะโอกาสที่คนจะบริจาคทานอย่างนั้นได้ เพราะมันมีเขาเรียกว่าวัตถุสัมปทาคือผู้รับนั้นจะต้องเป็นพร ะ, ะบุคคลระดับอนาคามีครับพระฮราหารันปัจจัยสัมปทาปัจจัยที่นํามาบริจาคนั้นจะต้องเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุธทธิ์ุติธรรมและเจตนาสัมปทาเจตนาที่จะให้เนี่ยก่อนให้ขณะให้หลังจะให้ไปแล้วหลังจะให้ไปแล้วมันจะกินเวลานาน มันทำให้ได้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าศาสนาทุกศาสนาในโลกเนี่ยศาสนิกนี่เน้นที่การสร้างตาะวรวัตถุเรานึกดูถึงว่าพวกราชวงศ์อาณาจักกุศลสมัยพระเจ้ากานิตฐกะที่เขาสร้างพระพุทธรูปบาปิยันที่อับการนิสถ า, านที่ถูกพวกตาลีบันทำลายไปนะหรือว่าการ อชันต้าเอโรล่าอะไรต่างๆหรือการสร้างวัดในภูเขาในเส้นทางสายไหม่ก็ดีในประเทศอินเดียก็ดีในประเทศจีนก็ดีเนี่ยมันมันอัศจรรย์นะว่าทำกันได้ยังไงใช้เวลาเป็นร้อยๆ้อยปีนะฮะสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วทำจนประสบความสำเร็จ เพราะธานในเชิงที่เป็นวัตถุธานเนี่ยมันให้อป布拉布拉เจตนาคือเห็นเมื่อไหร่ก็สบายใจเมื่อ น, นั้นเกิดปิติประโมทเมื่อ น, นั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่เพราะว่าคําสอนในแต่ละศาสนาในที่จริงค่อนข้างลึกนะเราสัมผัสได้ยากแต่ระดับธานเนี่ยสัมผัสไม่ค่อยยากแล้วก็ ทำแล้วก็สบายใจตรงเลิกหลานเลนเลื่อนะเจสมมติว่าปูส่สร้างเจดีย์ไว้เนะี่ยทวดสร้างเจดีย์ไว้ปู่ทวดสร้างเจดีย์ไว้เนะี่ยลูกหลานถ่ายทอดกันมาตลอดมันก็ชื่นชมยินดีเมื่อได้เห็นเจดีย์ที่ปู่ทวดปู่ของตัวเองสร้างขึ้นมาเพราะแนวนี้จึงเป็นแนวที่น่าสังเกต แต่ปริญาแห่งทานที่จริงทรงจำแนกแสดงไว้ไว้นยะต่างๆเปน็นนันมากอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นทานสองแนวแนวหนึ่งเขาเรียกอามิสสถานได้ แ, แก่ปาติปุกกะลิกทานคือหรือสังกทานนะะคือการให้วัตถุสิ่งของต่างๆที่เป็นวัตถุสิ่งของ นะข้าวน้ำเสื้อผ้ายานพานะที่อยู่ที่อาศัยอะ ไ, ไรต่างๆเนี่ยเป็นวัตถุทานแล้วก็อีกประการหนึ่งเป็นธรรมทานได้แก่ทานที่ชนะทานใดๆคือการอบรมการสั่งสอนการชี้แจงการอธิบายขยายความธรรมะเพื่อเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจอันนี้ถือว่าเป็นเป็นธรรมทาน แยกสรุปว่ามธรรมกับรูปธรรมถ้าไม่กรอกต้องธรรมทานมันออกมาในรูปของอภัยทานก็ได้ธรรมทานก็ได้แล้วก็เราก็เห็นอย่างหนึ่งนะเห็นที่ก่อนข้นชัดเนี่ยคือว่าธรรมทานนั้นจะหนักไปในทางขาจัดโมหกะกถาสั์แล้วก็อมิสรสถานนั้นมุ่งขจัดมัจฉริยะคือความจนี แต่ความโลภความหวงความห่ว ง, ค ว, วงความเสียดายนะสิ่งที่ตนจะต้องให้แก่บุคคลอื่นออกไปตอนนี้ประเภทหนึ่งจำแนกเป็นสองเมืองกันเรียกว่าทานภายนอกคือการให้วัตถุปัจจัยต่างๆที่จริงก็แนวอมิสถานแล้วก็ทานภายในคือการให้แบบพวกก็เรียกว่าอุปบารามีนะทานาอุปบารามี เป็นการให้บุตรให้ทิดาหรือบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะต่างๆนะฮะก็ เ, เรียกว่าอัดชัดตีกฐานเป็นฐานที่บริจาคภายในวันก่อนองค์กรที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อศูนย์เนื้อเยื่อครก็นะหมอยงยุทธวัชรดุลเขาในบนไปให้ บรรยายสมาชิก เ, เขาฟังเขก็บอกว่าเวเนียคนมีความรู้สึกขัดข้องคือมีความเข้าใจว่าถ้าจะบริจาครวงตาก็กลัวว่าเกิดชาติหน้าตาตาบอดถ้าบริจากระบวะยส่วนใดส่วนหนึ่งไปเนี่ยเกิดชาติชาติหน้าแล้วก็ตัวจะไม่มีวัยยะตรงนั้นเออคิดตลกดีกันคือที่จริงสิ่งที่เราบริจาคเนี่ย มันเป็นการตั้งไว้ดีแล้วเป็นการหาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นสมมุติว่าบริจาคมวงตาเนี่ยก็ทำให้ตาเรามีคุณภาพประสิทธิภาพดีบริจรราคอวัยวะส่วนอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าก็ไปเชื่อใครต่อใครแต่พูดอิสเรเปปะไปเรื่อยๆโดยไม่ได้นึกว่า แล้วตอนเราเผาก็เผาหมดแล้วทํำยังไงตกลงมาเราก็ไม่ต้องเกิดพราะคิดเท่าก็เผาเป็นคิดเท่าหมดแล้วคือเราไม่ได้คิดต่ออะไรเลยเป็นการเชื่อนําสืบกันมาโดยไม่ได้วิเคราะห์ให้เหตุผลที่จริงพวกนี้เขาเรียกว่าอัจฉริกาานคือทานภายในบจากอวัยวะต่างๆเวลานี้ก็บอกว่าเนื้อเยื่อต่างๆนี่มันมีตั้งเยอะนะฮะตั้งหลายชนิด ที่สามารถบริจาคแล้วก็เก็บสะสมไม่ได้เอาไปช่วยคนแม้แต่โรคเด็กเนี่ยเอาก็ช่วยเอาคนอะไรไฟไหม้นะฮะไฟไหม้น้ําร้อนรั่วอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ช่วยรักษาไปได้ผลทานทจริงมันมีเรื่องอะไรที่น่าบริจาคได้เยอะภายนอกก็เยอะภายในก็เยอะนะฮะประการต่อไปก็คือ ก็เรียกว่าสาหัสถิกะทานทานที่ทําด้วยตนเองแล้วก็อนติกะทานทานที่สั่งให้คนอื่นช่วยให้แทนช่วยบริจาคแทนนั่นก็ถือว่าเป็นทานเป็นทานเหมือนกันแต่ว่าการทําด้วยตนเองนั้นจะมีผลเมียนิสงดีกว่าการใช้บุคคลอื่นทํางทีก็สั่งสง่งไปเหมือนพระเจ้าปายาสิให้อุตระมนบช่วยให้ทานแทน อุตรามานพนั้นเขามีศรัทธาเริ่มสายเขาให้แต่อย่างดีเลยเขาของเขาผสมกันไปพระเจ้าปราสิก็ให้ทานไปแกนแกนอย่างนั้นเองไม่ได้มีความตั้งใจดีเด่นอะไรพิเศษอะไรผลท้ายเมื่อลาตายไปอุตรามานพได้อยู่บนวิมานที่สมบูรณ์พูนสุขตัวเองอยู่ในเสริสกาวิมานวิมานที่ว่างเปล่าไม่มีสมบัติพัสถานอะไรเลย ต่อไปนั่นเป็นเรื่องแปลกนะะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือการทำทานที่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในผลของการกระทานั้นหมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองมองเหตุมองผลที่จะบริจาคที่จะทำทานในลักษณะนั้นนันมีปัญญาเข้ากากับคือหลักการพระพุทธศาสนาที่จริงเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีปัญญาเนี่ยเข้ากำกับ าการให้ทานก็ท่านบอกว่าวิเช ย, ยดานังสุกตปะปัสสัตถานการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงให้ทานเนี่ยเป็นการกระทําที่พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญแล้วอาศัมปชาณทานคือการทำทานที่ไม่รู้ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมแต่ประการใดก็ชวนก็ชวนนะฮะพวกจรเรียกอะไรละ่ะ มุหากตินะฮะก็ไปตามความหลงขุนพลอยพยักก็ว่ากันไปเรื่อยๆแต่ก็อย่างน้อยเขาก็เชื่อคนคนที่ชวนเขานะฮะจะน้อยเพื่อนชวนให้ทานก็ให้ก็ให้ก็ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมันก็เป็นบุญระดับหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าจิตใจอาจจะไม่ประณีเท่าที่ควร อีกประการหนึ่งเป็นการให้ทานในแนวที่เรามักพูดกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกนักตธรรเองในสารภาพตรงๆไม่เคยได้ยินไม่เคยพบในหลักคำพีพระพุทธศาสนาจริงๆที่บอกว่าให้ทานห้ามไม่ให้ตั้งความปรารถนาเนี่ยคือเราไม่เคยเจอไปเจอแต่ว่าเอ๊กก็ตั้งความปรารถนาทั้งนั้นเ พวกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพวกพระอรหันต์ทั้งหลายอริยาสาวกทั้งหลายในชาติสมัยพระพุทธเจ้าทุบนามปฐมมุตตระที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นสาวกของพูง้เจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่ละท่านเนี่ยตั้งความปรารถนาทั้งนั้นแต่พระเจ้าก็เอามาจากไหนว่าถ้าตั้งความปรารถนาแล้วจะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คือมันเป็นเจตจำนงมุ่งมัน่น ในการทำความดีมันพร้อมประกอบพร้อมด้วยอธิษฐานนะคือมันมีทานแล้วก็มีอธิษฐานมีวิริยะมีเมตตามีสัจจะมีจ า, าคะการเสียสละให้ปันปะอะไรอะพอออกมาเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะเนี่ยท่านเรียกว่าวั ต, ตนิสิตทานหมายความว่าการทำทานด้วยการปรารถนา อิทธผลที่ตนต้องการนะพวกพภ ก, กสมบัติพวกภาวะสมบัติเช่นขอให้รวยขอให้เป็นเทวดาขอให้มีรูปสวยขอให้อายุยืนขอให้มีผิวพันธุ์ปองสใสอะไรต่างๆก็เรียกว่ามันให้เพื่อตกแต่งภพชาติของตัวเองให้ประณีขึ้นปรารถนาความประณีความสวยงามในศิริร่างกายของตนเองนั้นก็เรียกว่าวัตฏะนิสิตะาด วัตานิสิตาคือทานที่ยังอาศัยวัตตะอยู่มาความว่าตัวเองต้องการจะเกิดจะเกิดแล้วก็ยังไงก็ยังไงก็เกิดดีหน่อยให้รูปสวยให้เสียงไพเราะให้สวดทรงสมส่วนให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้อายุบรรณสุขภาพละให้รูปให้รูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระที่ดีอะไรต่อไรเนี่ยฮะก็อธิษฐานเป็นการตกแต่งภพชาติทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อนนายไปจากภบ ก็ตั้งความปรารถนาแต่วันแนวที่จะออกแบบก่พกเขาเรียกว่าวิวัตะนิสิตะท า, านเนี่ยการทำทานด้วยไม่ปรารถนาพวกกสมบัติหรือภาวะสมบัตินะพวกกสมบัติก็คือทรัพ์สมบัติลนะาบยศสันเสริญสุขภาวะสมบัติก็คือพบที่เราจะไปอุบัติจะไปเกิดจะไปอยู่ในสถานที่นั้นแต่ปรารถนาโพธิญาณหรือปรารถนาการหมดอนะสวกิเล เหมือนอย่างการบริจาคทานของพระเวสสันดรโพธิสัตว์เนี่ยเราลองสังเกตว่ามันเป็นการบริจาคทานแบบวิวัตตนิสิตะทานไม่ใช่ต้องการตกตกตกแต่งพศชาติอะไรของท่านแต่ท่านต้องการหลุดจากพศ ธ, ธาตต้องการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจึงขอร้องการหาชารีที่อยู่ในสระให้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ เป็นสำเบาเป็นสัำ พ, พอทองนำพอ่อเข้าสู่สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อกล่าวอธิฐานเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณแนวตรงนี้เขาเรียกว่าแนวตกแต่งพบชาติหมายความว่ายังมีพบยังมีชาติอยู่อีกแนวหนึ่งนั้นไม่ต้องการพบชาติแต่ว่าต้องการการตรัสรู้ต้องการมารมาลุมรรคผลเป็นพระญาบุคคลระดับใดระดับหนึ่ง จนถึงเป็นพระ อ, อรหันต์เนีก็แสดงว่าทานทั้งสองฝ่ายเนี่ยตั้งความปรารถนาด้วยกันเพียงแต่ว่าปรารถนาคนและระดับกันเท่านั้นเองฝ่ายวัตฐนิสิตาทานนั้นปรารถนาพบชาติที่ประณีตควายวิวัฏฐนิสิตาทานนั้นปรารถนาหลุดคนจากพบชาติแม้จะประณีจังไงก็ไม่พอใจไม่ติดใจ ไม่ปรารถนาพบชาติแล้วก็ทำให้แยกออกเป็นสองประเภทโดยอีกนัยยะหนึ่งทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รูปปัฏฐิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่ า, มมทานผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี